เจริญพรโยมทั้งหลายรู้สึกสาราลุงชินหน้าตาแปลกไปโตดได้ยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อก็ดีใจนะเจอพวกเราถึงจะไม่รู้จักส่วนมากยังไม่รู้จักกันแต่ก็เป็นเพื่อนชาวพุทธด้วยกันอยู่ในบริษัทเดียวกันในพุทธบริษัท บริษัทที่จะอยู่หรือจะไปก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละสมัยพุทธกาลนะพระห้าร้อยองค์ฟังธรรมไม่ทราบพระพุทธเจ้าเทศได้ยังไงในนี้พวกเราฟังต้องใช้ไมโครโฟนถ้าไม่ใช้ก็ฟังไม่ได้ยินนะ่ะเสียงมันดังพวกเราชาวพุทธนะมีบุญมีวาสนามากเราเกิดในาศาสนาที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์ ให้เกียดติกับมนุษย์มากที่สุดเลยแล้วก็จุดมุ่งหมายปลายทางที่พวกเราชาวพุทธมุ่งไปถึงก็คือความเป็นอิสระภาพเราจะมีอิสระภาพสูงสุดงั้นศาสนาพุทธนี่จะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะต้องมีการบังคับมีการน้อมนําให้เชื่อของเราให้อิสระเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้ตามใจชอบ ถ้าเราสังเกตให้ดีนะโดยธรรมดาในชีวิตเราเราไม่มีอิสระหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์พวกนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์บอกว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอิสระภาพแต่มนุษย์ไม่มีอิสระภาพอย่างพอเราเกิดมาปุ๊บใช่ไหมเราก็ถูกกําหนดแล้วต้องเป็นคนไทยก็เราอยากจะเป็นคนญี่ปุ่นอะไรย่างนี้ก็ไม่ได้คนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมเวลาเราเรียนหนังสือเราก็โดนบังคับมีการศึกษาภาคบังคับ จริงๆแล้วชีวิตเราถูกบังคับตลอดเลยนจนกระทั่งโตขึ้นมาทำมาหากินได้ก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นอิสระอะไรอย่างแท้จริงใ น, ในทางร่างกายเรามันมีข้อจำกัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอะไรย่างเงี้ยจะมีเสรีภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ในทางจิตใจนมนุษย์มีอิสระภาพเต็มที่เลยนะในทางจิตใจโดยเฉพาะสาหรับชาวพุทธ เรามีอิสระภาพถึงขนาดว่าเราอยากไปนรกก็ไดนะ้เลือกไปได้นะเราอยากเป็นเปรตก็ได้อยากเป็นสุรกายอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานนะก็ทำได้อยากเป็นคนก็ได้อยากเป็นเทวดาก็ได้อยากเป็นผลมก็ได้อยากคิดนิพพานก็ยังได้เนะนี่ยเรามีอิสระมากมายคนอื่นเนี่ยบังคับเราบังคับร่างกายเราได้แต่จิตใจเนี่ยไม่มีใครบังคับกันได้ งั้นชาวพุทธเนี่ยเรามาค่อยๆพัฒนาจิตใจของเราขึ้นมาวันหนึ่งจิตใจเราจะมีอิสระเต็มที่เลยจิตใจของเราตอนนี้นึกว่าอิสระนะจริงๆยังไม่อิสระเรามีกิเลสแอบแฝงเข้ามาในใจเราทําให้มันขาดอิสระภาพอย่างเรารักคนนี้เนี่ยเรารักคนคนนี้ปุ๊บเราจะเสียอิสระภาพไปส่วนหนึ่งแล้วเราต้องตามใจเขานะกลัวเขาไม่รักเราเนี่ย หรือเราต้องการสิ่งนี้มีความอยากขึ้นมาอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมคนอยากมีชื่อเสียงเสียอิสระภาพอย่างพวกดาราสังเกตไหมจะทำอะไรไม่ได้คนคอยจองหรืออย่างเจ้าหญิงอะไรเมื่อก่อนเนี้ยที่ถูกข้อตามถ่ายรูปจนรถก้มตายนี่ทางจิตใจเนี่ยนะเราเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ใจเราเนี้ยเราจะไปนรกไปสวรรค์ไปอะไรเนี้ยอยู่ที่ใจเราเอง อยู่ที่ใจเราถ้าหากใจของเราสะสมแต่ความโกรธสะสมแต่ความเศร้าหมองเราก็มีนรกเป็นที่ไปไม่ทันตายเราก็ตกนรกละใจเราหาความสุขไม่ได้ถ้าใจเราเต็มไปด้วยความโลภนะเราเป็นเปรตถ้าใจของเรามานะอัตตามากเซลจัดยึดถือแต่ในความคิดความเห็นตัวเองไม่ฟังใครไม่ฟังเหตุฟังผลพวกนี้พวกอสุรกาย พวกที่ตีมาน่ามากพวกเมือเม่อลอยลอยใจลอยไปนี่พวกเดรัจฉานะถึงตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเดรัจฉานนะพวกใจลอยอ่ะนะพวกขี้โมโหตัวเป็นคนใจเป็นสันนรกนะพวกขี้โลภตัวเป็นคนใจเป็นเปรตเนี่ยนี่ทางนี้พวกพวกทางอบายภูมิเนี่ยเกิดจากจิตใจมันขาดสติก่อนพอมันขาดสติมันลืมเนื้อลืมตัวนะแล้วกิเลสต่างๆแทรกเข้ามา ราคาแทรกเข้ามาย้อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็ไปเป็นเปลืเป็นอสุรกายไปตัวศาสร์แทกมาย้อมอยู่เนืองๆนะโอกาสที่จะตกนรกก็สูงตกตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละนะตายแล้วก็ตกอีกนะใจลอยใจเหม่อใจลอยนะโอกาสที่จะไปสร้างภพภูมิของเดรัจฉานก็สูงนันะเห็นไหมเรามีอิสรภาพนะ <laughs> เราจะสะสมกิเลสอย่างไห น, นเราก็ไปเป็นอย่างนั้นจิตนะใจเรา นี้แต่ถ้าเราจะมุ่งไปทางสุขติปุ่มสุขติมีตั้งแต่มนุษย์มีเทวดามีปลมเราก็มีอิสระที่จะสามารถเลือกทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องมีมีศีลห้าอย่างต่ํามีศีลห้าไว้ถ้ามีศีลห้าเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าสติปัญญาเราละเอียดอ่อนว่องไวขึ้นไปอีกจิตใจเรามีฮีริโอตปาเรารู้จัก ละอายบาปรู้จักกลัวผลของการทำบาปอันนี้เป็นภูมิธรรมของเทวดาถ้าหากจิตใจของเรามีพรหมวิหารอยู่จิตใจมีเมตตากรุณาเมตตาอวุเบกขาใจเราเป็นพรหมเราตัวเป็นเตือนมนุษย์ใจเป็นพรหมตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นใจเรานี่ท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆได้มากมายตามสิ่งที่เราสะสมเนื่งหนึ่ง นี้ถ้าเรามุ่งไปสู่สุขติให้ได้นะตัวสําคัญที่จะต้องมีให้ได้นะก็คือสติเพราะว่าจะเป็นมนุษย์ต้องมีศีลใช่ไหมยอยากเป็นเทวดาต้องมีหิริโอตปะอยากเป็นพรหมต้องมีพรหมวิหารคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าขาดสติแล้วสติเนี่ยสำคัญมากนะสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขาดสติอันเดียวคือขาดคุณงามความดีทั้งหมดเลยนะมีสติอันเดียวเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดคุณงามความดีทั้งหมดเลยมีโอกาสนะไม่ใช่มีสติเราจะต้องมีคุณงามความดีทั้งหมดแต่ถ้ามีสัมมาสติเนี่ยจะไปมรรคผลนิพพานสติกับสัมมาสติไม่เหมือนกันสตินี่เป็นแค่ใจเราไปเกาะเกี่ยวไปรู้ไประลึกถึงอารมณ์ที่ดีที่เป็นกุศลที่เป็นบุญถ้าสัมมาสติเนี่ยสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจตรงนี้ไม่เหมือนกัน ถ้าหากจิตใจเราต้องการจะไปสู่สุขติภูมิอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นพลมนั้เราแค่มีสติธรรมดานี้แหละสนใจทำบุญใส่บาตรสนใจทำคุณงามความดีทั้งหลายใจไม่หลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองทำไปเรื่อยเราก็ได้สู่สุขติภูมิไปเกิดที่ดีแต่ถ้าเรามีสัมมาสติสัมมาสติ ก็คือสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจรู้ลงไปเรื่อยๆนะในกายใน ใ, นใจนีนะ้ถ้ารู้มากเข้ามากเข้าวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นว่าไม่ใช่เราทําไมเห็นว่าไม่ใช่เราได้เพราะเรามีสตินะมีใจตั้งมั่นด้วยมีสัมมาสมาธินะองค์ประกอบอีกตัวที่จะทําให้เกิดปัญญาคือสัมมาสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้สภาวธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่กําลังปรากฏอยู่ มีสัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูนถ้ามีสองงานนี้แล้วก็ปัญญาจะเกิดที่จะเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจจะเข้าใจเองความเข้าใจจะเกิดเองเข้าใจว่ายัางไงเข้าใจว่ากายกับใจเป็นใจลักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีอยู่แล้วไม่มีเรียกว่าอนิจจังเป็นของที่ทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้มันถูกบีบคั้นมันถูกเสียดแทงตลอดเวลาเรียกว่าทุกข์ขังแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา เรียกว่าอนัตตาเห็นเพียงอันใดนหนึ่งมันจะละความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นเราได้ได้พระโสดาบันเสร็จแล้วก็มารู้กายมารู้ใจต่อไปอีกด้วยสตินี่แหละรู้กายรู้ใจลงไปอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนะถ้ารู้กายรู้ใจด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิเพ่งเงามิจฉาสมาธิมันชอบเพ่งสัมมาสมาธิเนี่ยตั้งมั่นในการรู้อารมณ์มิจฉาสมาธิ ตั้งแช่อยู่ในอารมณ์สองอันนี้ไม่เหมือนกันต้องแยกให้ออกนะถ้าพวกเราภาวนาอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆต้องแยกสภาวะตรงนี้ให้ออกระหว่างจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตที่เข้าไปตั้งแช่อยู่ในตัวอารมณ์มิจฉาสมาธิเนี่ยเข้าไปตั้งแช่ยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ที่ลมเกือบร้อยละร้อยเลยนะสาหรับนัก รู้ลมหายใจเนี่ยเกือบร้อยรอยเลยนี่พูดแบบเกรงใจนะเกือบร้อยลร้อยเนี่ยใจจะไหลลงไปเกาะนิ่งๆอยู่กับลมอันนั้นคือการเข้าไปตั้งแช่อยู่กับลมไม่ใช่สามาสมาธิแตเป็นมิจฉาสมาธิได้แค่ความสุขได้แค่ความสงบใจไม่ซัดเซพเนจรไปเที่ยวสงบเฉยๆแล้วก็โง่ๆอยู่อย่างนั้นเองหรือคนไหนรู้ท้องของยุบนะแล้วใจไหลไปอยู่ที่ท้องเ เดินจงกลมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าแช่นิ่งๆอยู่อย่างนี้นปัญญามันจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นขาดสัมมาส ม, มาธิงั้นสรุปง่ายๆนะใกล้จบแล้วนะใกล้จบนี่นะพูดสั้นๆนี่แหละทำกันหลายปีนะแรกเลยมีสตนะิสติทำหน้าที่รู้สภาวะคือรู้กายรู้ใจใกายเป็นยังไงนะรู้ลงไปไม่ลืมกายไม่ลืมใจตัวเอง พวกเราชอบลืมกายลืมใจตัวเองสติถ้าเรามีสตินะเราจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจแล้วพอเรารู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใ จ, จ алог, แล้วต่อไปเรามีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้เป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงเรียกว่าใจเรามีสัมมาสมาธิสสมันก็จะเริ่มเห็นสภาวะขึ้นมาว่าจิตกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น เป็นยังไงก็เป็นใจลักษณ์นั่นเองรู้ลงไปรู้ลงไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูดูอย่างสบายๆดูอย่างมีความสุขต้องมีความสุขนะถ้าภาวนาแล้วใจเคร่งเครียดก็เป็นสัสามมาสามาธิไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วก็ไม่ใช่สัมมาสติด้วยใจเคร่งเครียดใจเคร่งเครียดไม่มีสติจริงถ้ามีสติจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตจะเบาจิตจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวจิตสบาย เมืเราต้องพาวนาด้วยจิตใจที่สบายๆคอยรู้กายคอยรู้ใจไปรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรไม่เข้าไปแทรกแซงสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นมาแว บ, บในใจเราความโกรธขุดขึ้นมาให้มีสติสติมันทำงานเองนะไม่ใช่ไปจงใจรอดูไว้ก่อนพอเห็นหน้าคนคนนี้สมมติเห็นหน้าคุณมนเกลียดมากพอเห็นหน้าคนนี้รู้แล้วเดี๋ยวต้มาพูดกวนประสาทเราเราก็คอยดูอยู่ที่ใจไหนดูสิมันจะโมโหตอนไหน รับรองจะไม่โมโหอย่างนี้เรียกว่าดักดูนะไม่ใช่เรื่องของสติแล้วเป็นเรื่องการไปเพ่งไว้ก่อนแต่ว่าถ้ากไปคุยๆกับเขาโมโหขึ้นมาโกรธความโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วสติระลึกขึ้นมาเห็นว่านี่ความโกรธผุดขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าสติจริงๆไม่ได้ดักไว้ก่อนนะเป็นการตามดูพาสติจริงๆเกิดปั๊บใจมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นความโกรธเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งโค้ล้านกัน ความโกรธกับจิตใจโคนล้อนกันความโกรธกับร่างกายโคนละอนกันความโกรธกับเวทนาคือความสุขความทุกข์นี่โคน ล, ล้อนกันะเราจะเห็นมันกระจายตัวออกไปเราจะเห็นเลยปัญญามันจะเกิดความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเรานะความโกรธก็ไม่เที่ยงมันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีหรือมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เกิดมีขึ้นมานี่ก็ไม่เที่ยงค่อยรู้ลงไปทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านมาให้เรารู้เนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราว อกุศลอกุศลชั่วคราวแต่รู้นี่ไม่ใช่คิดเอาต้องมีสติไปเห็นสภาวะจริงๆเห็นสภาวะจริงๆด้วยใจที่มีสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็ น, นถ้าขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะขาดสติใช้ไม่ได้เลยเป็นอกุศลถ้ามีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิสติตัวนั้นจะไม่ใช่สัมมาสติจะเป็นสติธรรมดาสติที่คิดถึงอารมณ์ที่ดีๆ แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นปุ๊บสติมจะเป็นสัมมาสติมจะสักว่าระลึกละจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้านี่ไม่ใช่ตัวเราเะฉะั้นพวกเราฝากพวกเราเรียนสองตัวนี้ให้เยอะๆหน่อยนะเรื่องสัมมาสติกับมิจฉาสตินี่ตัวหนึ่งหรือสติธรรมดากับสัมมาสติไม่เหมือนกันนะสัมมาสมาธิกับมิชฌาสมาธิไม่เหมือนกันนะในหนังสือของหลวงพ่อก็มีเขียนไว้เยอะแยะนะไปหาอ่านเอา ในซีดีก็พูดไปเยอะงนั้นการปฏิบัติง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะใช่ไหม <c oughs> ถ้าไปแปลปฏิบัติว่าทำนะยากที่สุดเลยแต่ถ้าแปลปฏิบัติว่าการรู้อยู่เฉพาะหน้าการถึงเฉพาะรู้เฉพาะสิ่งใดปรากฏขึ้นในปัจจุบันในกายในใจแล้วตามรู้ไปเฉพาะหน้าอย่างนี้แหละไม่ยากอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยคนที่ทำอะไรอยู่นะไม่บรรลุมรรคผลอะไรหรอก แต่คนที่หยุดทำแล้วรู้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรค น, นนี้ใกล้กับมรคนิพพานเนาะคนิพพานนะตัวนิพพานจริงๆเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่ใจเราชอบปรุงแต่งใจเราเลยไม่เห็นนิพพานถ้าวันใดเรารู้เท่าทันจิตใจเราจนจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งได้นะก็เราก็เห็นนิพพานแต่การที่ใจเราจะไม่ปรุงแต่งทำได้หลายแบบนะแบบที่ไม่เห็นนิพพานก็ได้ เห็นแต่ความว่างๆอย่างสม ว, ว่าเราโกรธขึ้นมานะแล้วก็พอรู้ความโกรธนั้นเราก็ทิ้งไปไปจับว่างๆไว้ไม่สนใจดูมันนะใจก็ว่างเหมือนกันอันนี้ของปลอมว่างปลอ ม, ลอมเดี๋ยวก็วุ่นขึ้นมาอีกแล้วแต่ถ้าปัญญามันเกิดสติมีสติรู้สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละมันปรากฏแล้วก็ค่อยรู้เอามีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆ เวลาที่เราดูกายเวลาที่เราดูใจตัวเองนะเราจะดูเหมือนคนดูฟุตบอลนะเวลาดูฟุตบอลเรานั่งบนอัศจัรรย์รู้สึกไหมเรานั่งคนดูจะนั่งอยู่ที่สูงๆหน่อยแล้วก็ดูลงไปข้างล่างเวลาที่เราดูกายดูใจเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนกับเราดูจากมุมข้างบนนะลงมาดูเข้ามาเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวทํางานไปเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวทํางานไปเหมือนเราดูฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีวิ่งไปวิ่งมา เราเป็นแค่คนดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักฟุตบอลนะเนี่ยใจเราต้องเป็นอย่างนั้นใจเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆนะอย่างนี้ถึงวันหนึ่งปัญญาถึงจะเกิดขึ้นแจ้งนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดเลยง่ายนะไม่รู้เจะว่าอะไรจะง่ายกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรนะจิตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันจะยากอะไรนะทุกทุกวันนะที่วัดหลวงพ่อ มีคนไปรายงานการปฏิบัติหน้าฟังคนส่วนหนึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยไม่เคยฟังธรรมะโดยตรงจากหลวงพ่อเลยฟังแต่ซ d ดีถึงเวลามารายงานการปฏิบัติจิตใจรู้ตื่นเบิกบานมาเรียบร้อยแล้วแค่ฟังทำยังไงฟังเรื่อยๆคนไหนขับรถเองนะพอขึ้นรถก็เสียบแผ่นซ d ดีฟังไปเรื่อยๆละมีเวลาก็นั่งฟังไปฟังไปฟังจนจิตมันตื่นขึ้นมา จิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะรู้กายเองรู้ใจได้เองตัวนี้สําคัญนะค่อยๆฝึกไปไม่เห็นมีอะไรเลยทําให้มันยากไปเองจงรู้ทุกอย่างนะที่จิตไปรู้เข้ารู้แล้วไม่ทําอะไรอีกรู้แล้วจบลงที่รู้เลยแต่ว่าไม่ใช่แกล้งจบถ้า แ, แกล้งจบไม่ใช่ของจริงสมมติว่าใจเราแอบไปคิด ใจเราหลงไปใจใไปคิดพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดวับในขณะที่รู้นะั่เป็นกลางเรียบร้อยแล้วตอนหลงไปคิดนะี่มันส่งออกข้างนอกไปแล้วส่งไหลเพลินไปในโลกของความคิดหลงไปตรงที่รู้ว่าคิดนะเป็นกลางเรียบร้อยแล้วนี้ถ้าเรารู้อยู่แค่นี้นะใจยังเข้าสู่ความเป็นกลางอัตโนมัติเลยขันจะกระจายตัวเลยจิตส่วนจิตเลยความคิดส่วนความคิดนะูสหน้ากูสส่วนกูสหน้ากูส ร่างกายส่วนร่างกายมันก็กระจายตัวฉับพลันเลยแต่พวกเราทําไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยอย่างพอเราใจเราหลงไปคิดพอรู้ปับนะ๊บเนี่ยเราจะดึงเราจะดึงคืนมานะกลับเข้าม า, ก ล, มากลัวจะหลงก็อัดกลับเข้ามาตอนหลงเนี่ยจิตส่งออกนอกไปตรงที่รู้ว่าหลงเนี่ยจิตเป็นกลางเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เอาก็ไปทํากลับข้างไปดึงกลับเข้าข้างในจิตส่งเข้าข้างในเพ่งเอาไว้ให้แข็งแข็งเนี่ยกลัวจิตออกนอกก็เลยเอาจิตเข้าข้างในก็ไม่ใช่เป็นกลาง จิตไม่ใช่เป็นกลางจิตจะเครียดเครียดขึ้นมาดังนั้นให้รู้นะรู้ได้ใจที่เป็นกลางจริงๆไม่สุดโต่งสองข้างไม่เเลินไปหลงไปไม่บังคับตัวเองไว้เเลินไปหลงไปก็ลืมกายลืมใจบังคับตัวเองไว้กายกับใจก็แข็งแข็งเครียดเครียดผิดความเป็นจริงใช้ไม่ได้ไม่ใช่การรู้กายรู้ใจดังนั้นศัตรูเรามีสองตัวนี้ตอนพวกเราจํา พุทธประวัติได้ไหมตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เทศนากันแรกนะชื่อธรรมจักรกับภวัตนสูตรธรรมจักรกับภวตนะสูตรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นว่าการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางทํำยังไงไม่ได้บอกนะทางสายกลางทํำยังไงแต่บอกว่ามีสิ่งที่ผิดสองสิ่งที่ผู้ปฏิบัติรรมเนี่ยไม่ควรเสพไม่ควรเสพภาษาบาลีภาษ า, า, าพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งที่บันทชิตไม่ควรเสพ นี่เราไม่ใช่บัณชิตไม่ใช่นักบวชนะแล้วก็มาแปลให้เข้ากับพวกเราก็คือผู้ปฏิบัติไม่ควรทำสองอย่างอันหนึ่งกามสุขานิการุโยค ก, การปล่อยตัวให้ชุ่มในกามอันหนึ่งคืออัตตะกิลมาฐานุโยค ก, การทำตนให้ลำบากเพราะพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ฟังนะมีห้าองค์มาฟังพร้อมๆกันมีองค์เดียวที่เข้าใจได้โสดาอยู่องค์เดียวคือพระกวนฑัญญะนะ อคอื่นต้องฟังครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่พระอัสสชีฟังห้าครั้งได้โสดาบันพวกเราอย่านึกนะฟังครั้งเดียวจะได้นะพระอัสสชีฟังทั้งห้ารอบถึงจะได้โสดาบันนั้นท่านสร้างบารมีมาเยอะล้ททำไมพระกวนทัญญาปิง้งขึ้นมาพวกเราพอได้ยินคำว่าการสุขนริการุโยค ก, การปล่อยตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสชุช่มด้วยกามเนี่ยเราคิดว่าเราปล่อยร่างกาย เช่นหนุ่มๆก็มีอหนูหลายๆคนนี่เรียกว่าปล่อยตัวให้ชุ่มในกามนะเป็นสาวๆก็มีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมจริงๆชุ่มในกามมันชุ่มด้วยใจมันชุ่มทางใจคือใจนี่แหละสนุกสนานเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่หลงเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเอกใจที่มันหลงอยู่ด้วยกามมาทำทำคือกามในใจเราเนี่ยเรียกว่ากามมาทำ ตัวเนี้ยตัวสำคัญส่วนหนาตากิริยฐานุโยกเราก็ชอบคิดว่าทรมานร่างกายแท้จริงก็คือทรมานใจก่อนนะมันต้องทรมานใจก่อนถึงจะทรมานกายได้จิตใจต้องชุ่มในกามก่อนร่างกายถึงจะชุ่มในกามได้เพราะฉะนั้นทางสายกลางจริงๆไม่ได้เริ่มที่ร่างกายแต่เริ่มที่ใจเรานี่เองใจเราเพลิดเพลินตามกิเลสไปเรียกว่าชุ่มในกามแล้ใจเรากดข่มบังคับตัวเองเคร่งเครียด ภาวนาแล้วเคร่งเครียดนี่เรียกว่าอัศากิรมาถานุโยคบังคับตัวเองเท่านั้นทําตัวเองให้ลําบากสังเกตไหมเวลาเราภาวนาเราชอบทําตัวเองให้ลําบากทันทีที่คิดเรื่องภาวนาเราก็บังคับกายบังคับใจเริ่มจากบังคับใจก่อนรู้สึกไหมขั้นแรกต้องวางฟอร์มใช่ไหมทําใจให้นิ่งๆร่างกายก็ต้องเท่ๆถ้านั่งจากท่านี้แล้วถือว่าไม่ใช่นั่งสมาธิแล้ถ้าเดินไม่ใช่แหมสวยงามอย่างนี้ไม่ใช่เดินจงกลม เราคิดอยู่แค่เนี้มันเป็นเรื่องทางร่างกายไม่ใช่สําคัญอะไรตัวสําคัญคือการบังคับใจตัวเองกดข่มใจตัวเองเช่นใจจะเผลอไม่ยอมให้เผลอใจจะโกรธไม่อยากให้โกรธบังคับไว้ไม่ให้โกรธหรือโกรธแล้วบังคับจะให้หายโกรธเร็วๆนี่คือการบังคับใจทั้งสิ้นเลยการที่เราปล่อยใจสเปรย์สป่าตามกิเลสไปกับการบังคับจิตใจไว้เนี่ยมันไม่ทําให้เราไม่สามารถรู้จิตใจเราตามความเป็นจริงได้ อริยมรรคที่ว่าเป็นทางสายกลางสังเกตไหมส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางจิตใจทั้งนั้นเลยสำมาทิฐิไหมเรื่องทางใจการมีความเห็นถูกต้องเข้าใจอริยสัจเรื่องใจเข้าใจไม่ใช่ร่างกายไปเข้าใจอริยสัจสำมาสังกัปปะความดำํำริชอบนะก็เป็นเรื่องทางใจสำมาวาจาอย่านึกว่าเรื่องทางกายนะใจมันพูดก่อนนะวาจามันถึงออกมาทางปากใช่ไหม สัมมากัมมันตะก่อนที่จะทํากรรมทางกายอะมันทําทางใจก่อนเช่นก่อนจะไปฆ่าเขามันต้องอยากฆ่าเขาก่อนเนี่ยมันมาทางใจสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบก่อนจะเลี้ยงชีพชอบนะใจมันต้องชอบซะก่อนมันมาที่ใจก่อนนะสัมมาวายามะความเพียรชอบนก็เป็นเรื่องทางใจเมื่อไรมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อกุศลก็ดับทันทีอกุศลเก่าดับทันทีอกุศลใหม่เกิดไม่ได้นะกุศล ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นเป็นเรื่องทางจิตใจสัมมาสติก็เป็นเรื่องทางจิตใจพระสติเป็นนามธรรมนะเกิดขึ้นในใจเราสัมมาสมาธิก็คือความตั้งมั่นของใจเห็นไหมอริยมรรตัวองค์ของมันจริงๆเป็นเรื่องทางใจนะแต่ถ้าทางใจถูกต้องทางกายทางวาจาก็จะถูกต้องด้วยงั้นเมื่อทางสายกลางมันเป็นเรื่องทางใจนะ ทางสุดโต่งสองข้างที่ไม่ใช่ทางสายกลางก็ต้องเป็นเรื่องทางใจด้วยเพราะฉั้นสุดตรงเป็นเรื่องทางกายแล้วทางสายกลางมาเรื่องทางใจไม่แมท ก, กันนะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากันเะฉะนั้นเราคอยสังเกตให้ดีใจเราเดี๋ยวก็เพลินตามกิเลสไปเดี๋ยวเราก็บังคับใจของเราจนเคร่งเครียดเวลาเราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจสเปสปะหลงเพลินเพลินไปวันวันหนึง่งนี่แหละการามสุ ข, ขาริการุโยค พอคิดถึงการปฏิบัติก็เพ่งเจนแข็งเคลียดไปหมดเลยนี่แหละบังคับใจตัวเองเรื่องอัตตาคิรมาฐานุโยกอัถกถาสอนนากาัการสุขาริการุโยคก็คือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอัตตาคิรมาฐานุโยคเนี่ยคือความปรุงแต่งฝ่ายดีปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ใช่ดีนะปรุงแต่งฝ่ายดีคือความปรุงแต่งฝ่ายดีที่ดีคือไม่ปรุงแต่งความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเง่าของมันก็คืออวิชา ทำไมเราต้องคอยบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเพราะมีอวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะเราไปยึดถือเอากายเอาใจเป็นเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบนะพอมีความอยากอย่างนี้มันก็เริ่มบังคับตัวเองบังคับตลอดเวลานะคิดว่าบังคับวันหนึ่งแล้วมันจะปิ๊งขึ้นมาปิ๊งไม่ได้หรอกบังคับแล้วมันแป๊กแปกแข็งแข็งแอดใอยรู้สึกนะแล้วก็ อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้สึกไปด้วอยอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าลืมกายลืมใจนะเมื่อเดือนก่อนหลวงพ่อพูดแล้วหน้าว่าถ้าเราขาดสติลืมกายลืมใจก็คือประมาทมันประมาทเหมือนคนตายแล้วนะนคนที่ตายไปแล้วคนตายแล้วเป็นยังไงมีร่างกายอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วจิตใจก็มีนะก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ มันเป็นยังไงไม่รู้มันทำงานยังไงไม่รู้นั้นเราคอยคอยรู้ไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจอย่าเผลอเผลินตามโลกไปในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจจนเคร่งเครีครยดให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะเห็นความเป็นจริงของกายของใจถ้าเห็นถึงขีดสุดนะจะทำลายเอาวิชาได้จะทำลายเอาวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ความไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์พวกเราไม่รู้หรอกนะหวพ บอกให้เลยพวกเราไม่ม so ีทางรู้เลยว่ากายกับใจเป็นทุกข์พวกเรารู้ได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรารู้ได้แค่นี้เองสติปัญญาเราไม่พอดังนั้นเราต้องคอยรู้ลงไปอีกรู้ลงไปถึงวันหนึ่งนะเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีแต่ทุกข์กับสุขทุกวันนี้เห็นกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นจิตเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเลยไปนิพพานไม่ได้หรอก เพาอะไรมันยังมีทางเลือกเนี่ยผมก็อยากให้มีความสุขเสียอยากจะวิ่งหนีความทุขกข์เมีทางเลือกถ้าวันหนึ่งภาวนาจนเจอทั้งมันบีบวงกระชับเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆ จ, จ, จะเห็นเนีมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เราต้องสร้างคุณงามความดีนะบารมีทั้งหลายต้องสร้างคุณงามความดีทั้งหลายต้องสร้างกว่าจะข้ามพบข้ามชาติได้คนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อย่างโสดาสกีทาคาเนี่ยหัดตามรู้ตามดูอย่างนี้พอสู้นะพอจะให้ละเอียดขึ้นไปถึงขนาดจะข้ามกามเนี่ยไม่ใช่ง่ายแะข้ามกามเนี่ยกามเป็นภพอันใหญ่เลยที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่ในภพอันนี้นะหรือจะให้ข้ามอาวิชาเนี่โอ้โหสุดลําบากถ้าคุณงามความดีไม่พอเนี่ยใจจะไม่ถึงข้ามไม่ได้พวกเราเคยอ่านพุทธประวัติไหมตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสสรูว่ามานมาใช่ไหม มารมาเป็นกองทัพเลยแล้วพวกเทวดาพวกลมอะไรวิ่งหนีไปหมดเลยเหลือพระพุทธเจ้าตัวคนเดียวสู้กับมารทั้งกองทัพพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะที่ท่านอบรมสั่งสมมาแล้วอย่างดีนะบารมีทั้งหลายของท่านนะเป็นเครื่องต่อสู้ในเวลาที่ใจจะข้ามพบข้ามชาติมันจะรู้สึกแบบนั้นนะคือเวลาเราภาวนาจิตใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่เนี้ยนะ พอปัญญาแก่กล้าถึงจิดสุดจริงๆมันพลิกตัวให้ดูเลยจากจิตผู้รู้ที่มีความสุขล้วนๆมันจะกลายเป็นตัวทุกข์ล้วนๆขึ้นมานี้ในขั้นการภาวนาก่อนที่เราจะไปถึงจุดนี้เนี่ยเวลาจิตใจมีความทุกขเนี่ยแค่สติระลึกก็ขาดสะบั้นหมดแล้วกลับมามีแต่ความสุขล้วนๆอีกแล้วแต่ถึงตรงนี้ระลึกลงไปไม่ขาดแล้วนะไม่ขาดแล้วมีแต่ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนัมันทุกข์เหมือนร่างกายนี้จะแตกสลายทุกข์เหมือนจิตใจจะระเบิดเลย ทุกขนาดนั้นนะมีแต่ทุกล้วนล้วนๆอย่างลงไปตรงไหนก็เจอแต่ทุกแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ลายมารเริ่มทำงานแนละ้วมารตัวหนึ่งนะเรียกว่าเทวบุตรมารคือหัวใจของเรานี่จิตใจของเราเที่มันจะท้อถอยกลับกรอบไม่กล้าสู้แล้วกลัวไม่ตายก็บ้ากลัวนะมารตัวหนึ่งก็คือกิเลสกิเลสก็คือโทสะทั้งหลายนะความกลัว มันเล่นเราตรงนี้เลยนะหรือว่าบางทีมันก็หลอกนะบอกว่าถอยไปเถอะแล้วไปอยู่กับโลกแล้วมีความสุขที่สุดเลยเหมือนที่มารบอกพระโพธิสัตว์ว่าไปอยู่กับโลกแล้วได้เป็นจักรพรรดินะพอเราภาวนาไปถึงจุดนั้นแล้วถ้าเรากลับมาอยู่กับโลกนะไม่ข้ามมรรค น, นิพพานเข้าถึงขีดสุดเราจะอยู่กับโลกยังมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรอะไรในโลกไม่กระเทือนเข้าถึงใจแล้วใจเป็นดวงรู้เด่นอยู่อย่างนั้นมีแต่ความสุขล้นล้นเลยจิตใจ มันจะถูกความคิดนะคอยหลอกคอยปลอบให้เลิอกอะ่ะะตัวความคิดที่กลับกลอกหลอกลวงนี่คืออาพิสังขารมานคอยกลับกลอกหลอกลวงความรู้สึกที่ว่าความตายมารออยู่ต่อหน้าแล้วถ้ายัางทนอยู่นั่งต่อไปไม่ถอยนะต้องตายแน่นอนไหมก็บ้าเลยนะเนี่ยตัวมัจจุมานนะมันมีแิ่ความทรมานมากมายเหลือหายไปไหนตัวลืมไปแล้วอ <c oughs> นะขันธมหมเนี่ย การทำาคือกายกับใจนี่เองเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์ล้วนๆถึงตรงนี้ถ้าเราบารมีเราไม่พอนะสะสมคุณงามความดีมาไม่พอเราจะถอยและสู้ไม่ได้ถอยดีกว่าเมื่อก่อนมีเพลงนะถอยดีกว่าใช่ไหมไม่เอาดีกว่าอยู่กับโลกก็มีความสุขแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ที่จะข้ามภพข้ามชาตินท่านอาศัยบารมีเช่นทานน้ำบารมี พล้วผู้ที่สัตว์หรือผู้ปฏิบัติเนี่ยนะที่อยากข้ามภพข้ามชาติเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไหมกล้าเสียสละชีวิตไหมต้องกล้านะกล้าตายเป็นตายในนาทีนั้นจะต้องไม่ถอยถ้าถอยก็คืออยู่สบายกับโลกแต่เป็นทาตของมารเรื่อยๆไปเพราะฉะนต้องกล้าหารถ้ากล้าหารเนี่ยก่อนจะกล้าสละชีวิตได้ก็ต้องกล้าสละของเล็กๆน้อยๆก่อนใช่ไหมสละโน้นสละ น, นี้ไปเรื่อยๆ ไม่ห่วงหน้าห่วงหลัง น, นั่นเองสละความผูกพันในใจอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสละพระนางพิมพาสละพระราหุลรักไหมลูกเมีย ร, รักนะแต่กล้าสละนะเพื่อธรรมะเนี่ยทานบารมีที่เป็นเต็มใจมานะเต็มเปี่ยมถึงนาทีสุดท้ายนะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะมีอธิษฐานบารมีไม่ตั้งใจมั่นไหมในขณะที่ความตายมารออยู่ต่อหน้าเนี่ยจะถอยไหม ตั้งใจไว้ไม่ถอยแล้วนี่ครั้งนี้จะสู้ตายะเอ้อถ้าบารมีนี้ไม่ถึงก็ถอยนะมันจะกิเลสมันจะหลอกหลอกถอยไปก่อนนะ่ะเดี๋ยวรวมกำลังมาสู้กับมันใหม่นั่นแน่หลอกได้สารพัดนะ <c oughs> สัจจะบารมีมีไหมยอมตายเพื่อได้เห็นความจริงไหม <c oughs> ความจริงที่เราจะตามดูมันไปเรื่อยๆดูซิให้มันสุดสายของการปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตายก็ตายนะเอี่ยดูจะเอาความจริงให้ได้นกล้าพอไหม ศีลเรามีไหมจิตใจเราจะเป็นปกติมั่นคงอยู่ได้ไหมในท่ามกลางความบีบคั้นอย่างนั้นหรือจะโมโหโทโสขึ้นมาเจิตใจเรามีศีลมีความเป็นปกติหรือเปล่าเรามีปัญญาไหมที่จะรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ระวงังรู้ระวงังรู้แล้วไม่เข้าไปข้องแวะด้วยเนี่ยบารมีนะสิบตัวเอาย่อๆนะนับไม่ครบหรอกเนะี่ยพวกเนี้จะมาช่วยเราในการที่จะสู้กับมารห้าตัว เอาข้าจริงถ้าไปดูพุทธประวัติใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้าอาศัยโพธิปักคีย์ธรรมสาสิบเจ็ดประการเนี่ยไปสู้ประมาณหนึ่งกองทัพมานหนึ่งกองทัพคือมานห้าตัวมีทั้งสามสิบเจ็ดไปสู้กับห้า น, า น, านสนะสู้ยากนะมานตัวเดียวก็สู้ยากแนละ้วเนี่ยต้องต่อสู้ก่อนที่ใจจะเข้มแข็งถึงขนาดจะสู้ประมาณเพื่อข้ามภพข้ามชาติเนะ่าต้องสะสมความแข็งแกร่งในใจมาม า, มากมายนะ กล้าสละความสุขความสบายความเพลิดเพลินอย่างโลกโลกนะก็กล้าหานพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมะท่านเลยสอนเป็นลําดับลําดับนะเรียกว่าอนุปุพิกถาเี่ยเดี๋ยวสอนรู้จักทานไว้นะรู้จักทานทานไม่ใช่แค่วักกระเป๋ามาจ่ายนะทานนะกล้าเสียสละไหมฆ้าสละความสุขความสบายส่วนตัวไหมเพื่อประโยชน์ของคนอื่นกล้าไหมกล้าสละความอาฆาตแค้นไหมกล้าให้ความรู้ความ เข้าใจกับคนอื่นที่เข้าไม่รู้ไม่เข้าใจไหมเนะีหรือตรณีที่เหนียวเนะี่ยใจถึงถึงนะี่ยกล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆสะสมไปนะทีละเล็กทีละน้อยท่านสอนเรื่องศีลเห็นไหมนี่สอนให้เรามีกําลังที่จะข้ามภพข้ามชาติทั้งนั้นเลยสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีล น, นะต้องรักษาศีล น, นะถ้าไม่มีศีลใจจะไม่มีสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นไม่ได้ใจจะกลับกรอกกัดแกล้งตลอดเวลาดังนะนั้นต้องมีศีลเอาไว้ พอมีทานมีศีลเนี่ยเราจะมีความสุขเรียกว่าสวรรค์เราจะมีความสุขชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายแตร่างกายอาจจะลําบากบ้างนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่ใจมันจะสบายแต่สบายอยเพลิดเพลินไปคราวนี้เพลินในความสุขอีกแล้วนี่เรียกว่ากามเพลินไปในความสุขเสร็จแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของกามว่าอย่ามัวแต่ประมาทอย่าหลงแต่ในความสุขที่เรากําลังได้รับอยู่ทุกวันนี้นะ ความสุขที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ของชั่วคราวประมาทไม่ได้นะโทษของกาลนี่ก็ว่ากามมาทีนพนะโทษของกามเสร็จแล้วถ้าไม่ประมาทจะทํำยังไงถ้าไม่ประมาทแล้วมาคอยเรียนรู้อริยสัจนะให้มารู้ทุกข์นะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจไปนะให้รู้ไปเรื่อยๆถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งกายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจนะตัณหาจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกสมูทัยจะไม่เกิดอีก ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถุกละอัตโนมัติสมุทัยคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าไม่ยึดกายยึดใจแล้วมันจะไปอยากทําไมทันทีที่ตัณหาดับสนิทลงนะความไม่มีตัณหาคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาตอนหน้าต่อตานั่นเองการรู้ทุกข์จนละสมุทยัยแจ้งนิโรดนี่แหละแจ้งนิพพานนี่แหละเรียกว่ามรรคท่านสอนอย่างนี้นะเรียกอนุปุธิกถารไม้สอนนะั้นแต่ทำขั้นต้นมา ตั้งแต่รู้จักทานรู้จักศีล น, นะทําทานทําศีลไปแล้วก็ชีวิตมีความสงบสุขขึ้นมาอย่าเพลิดเพลินในความสงบสุขนะอย่าเพลิดเพลินความสงบสุขทั้งหลายในชีวิตเราของชั่วคราวเหมือนกันวันหนึ่งอาจจะเดือดร้อนขึ้นมาได้ดังั้นต้องเร่งศึกษากายศึกษาใจของตัวเองเอาพวกเราฟังหลายเรื่องแล้วรู้สึกไหมฟังอนุบุพิกถาใครได้โสดาบันหรือ ย, ยังเยกมือ <c oughs> นะฟังเรื่องนะ ธรรมจักเห็นไหมบางท่านฟังธรรมจักได้พระโสดาบันบางท่านฟังอนุปปิกถาได้โสดาบันของเราฟังแล้วยังไม่ได้ต้องฟังแล้วฟังอีกนะจําไว้นะขนาดพระอาสชินะพระอสชิบารมีเยอะกว่าพวกเราอย่างฟังทั้งห้าครั้งถึงได้โสดาบันแถมพระอาสเชิฟังจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฟังจากพระกระจอกชื่อปราโมนนะฟังจากพระพุทธเจ้าด้วยนะเอพวกเราบารมีไม่ถึงขนาดนั้นต้องอดทนไว้ ต้องพักเพียรอย่าท้อถอยต้องสู้อ่ะต้องสู้คอยรู้ลงไปรู้ลงในกายรู้ลงในใจนะถือศีลไว้ถือศีลแล้วก็คอยรู้กายค่อยรู้ใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็ต้องฝ่าไปจนได้แหละก่อนที่ท่านทั้งหลายท่านจะผ่านด่านมาจนได้ทุกองทุกองนะท่านลำบากมาแล้วทั้งนั้นอนะ่ะไอ้ลูกฟลุกไม่มีนะของฟลุกไม่มีมีแต่ต้องลงทุนลงแรงสู้เอาเองทั้งนั้นเลยนะขัดเกลากิเลสในใจเรานะคอยรู้ลงไป สู้โดยทานสู้ด้วยศีล ส, ส, สู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยปัญญานะเครื่องมือในการต่อสู้มีหลายตัวคอยรู้ลงไปเรื่อยสู้ด้วยอะไรไม่ได้ก็รักษาศีลไว่อยากตบมันเต็มทีแล้ว อ, อย่าตบนะเดี๋ยวผิดศีลอย่างเงี้ยนะสู้ไปถึงวันหนึ่งก็เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วชีวิตจะมีอิสระภาพเราจะเข้าถึงอิสระที่แท้จริงนะไม่ใช่ new freedom อะไรอย่างนั้นนะเนี่ยอิสระจริงๆ ใจเราจะมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งต ล, ตลอดวันตลอดคืนเลยนะใจจะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงเลยกว้างขวางไร้อขอบไร้เขตมีความสุขล้วนๆเลยไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกีดกั้นจำกัดอีกต่อไปทางร่างกายก็ชาระสุดสมไปตามธรรมชาติในทางใจนะสดใสซ า, าบซ่าอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่ความสุขฝึกเอานะฝึกเอาอวันนี้พอสมควรได้หลายนาทีอยู่ ใช่าทีเป็นไงบ้งเกลงรู้ว่าเกลงจริงๆนะการเรียนธรรมะนะไม่ต้องถามมากให้มีสติรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างอื่นไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจวิธีรู้กายรู้ใจรู้สบายๆอย่ารู้แบบเครื่องเครียดนรู้ไปสบายๆแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองลำพังนั่งฟังนั่งคิดตรึกตรองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สงสัยไปเรื่อยๆ ศาสนาพูดเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังนะเพราะเวลาเราฟังเราจะคิดฟังแล้วก็คิดที่เราบอกว่าฟังเข้าใจจริงๆไม่ใช่หรอที่จริงเข้าใจด้วยการคิดเอาเองเพราะฉะนั้นพอฟังธรรมะครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้ปั๊บยาส่งกี่ดอกนอกเนี่ยเข้าใจเข้าใจคิดเอาแปลว่าให้ส่งเข้าข้างในเนี่ยมันไม่เข้าใจจริงหรอเข้าสมองไปบ่อยบางคนเข้าไขสันหลังอ้า่เชิญเชิญ อย่าถามยากนะถามง่ายๆยังมีข้อบอกพ้องอยู่ครับพระอาจารย์ช่วยแนะนำเลยครับไหนๆอยู่ไหนว่าไงว่าไงช่วยแนะนํำข้อบอกพ้องเลยครับบัคครับมากไปนิดนึ่ออนะจิตมัวนิดหนึ่งดูออกไหมมีโมหะหน่อยๆดูออกป่ะตอนนี้ตื่นเต้นกับอตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไปตื่นเต้นแล้วก็ เ, เมื่อกี้ใจลอยไปแล้วรู้ไหมใจมันไหลไปแว บ, บเราก็รู้ว่าไหลไปนะ เมื่อก่อนเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้นะไม่ใช่หลวงพ่อมีอินโนเวชันสอนแบบใหม่ไม่ใช่นะก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะเคยนะนวดครูบาอาจารย์นวดนว ด, นวดท่านแล้วใจลอยแวบท่านด่าเลยแทนที่ท่านจะบอกเราว่าเอยใจลอยไปแล้วขาดสติไม่พูดเลยท่านบอกไม่เต็มใจจะนวดก็ อ, อย่ามานวดไม่ต้องนวดสอนสอนแบบเจ็บๆอะ่ะใจลอยไปอีกแล้วรู้ไห ม, มนี่หลวงพ่อแบบไม่เจ็บมาก ไปอีกแล้วรู้ป่ะอ้าวคนไหนบ้างคนไหนกาบธรรมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ๋อว่าไปเ๋อมีป้ายด้วยเตรียม <c oughs> ตัวมาขอความรู้จากหลวงพ่อโดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะตอนนี้ได้ปฏิบัติดูแลคุณแม่อายุเก้าสิบแปดเจ้าค่ะและระยะสองปีมานี่ค่ะท่านหลงลืมแล้วก็ปัจจุบันนี้ย พอคุณแม่ตื่นคุณแม่ก็จะกลับบ้านเตรียมข้าวของกลับบ้านแล้วก็จะระลึกถึงแต่ผู้เสียชีวิตไปแล้วทุกคนและทุกคนที่เสียชีวิตเนียมายืนคอยที่หน้าบ้านทุกวันทุกขณะทางปฏิบัติของลูกที่มีให้แม่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยบอกว่าคุณแม่คุณแม่ต้องมีรถไปเพราะคุณแม่เดินไม่ได้ รถที่จะมารับก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ราชรถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แม่จะไปได้คุณแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอถึงเวลาทําวัดเช้าเย็นคุณแม่ก็จะตั้งใจสวดมนต์เพราะหลอกล่าคุณแม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมานะถ้าสวดมนต์คุณแม่ก็อย่างเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเจ้าคะ่ะคุณแม่กําลังฟังสวดมนต์เพราะว่าเปิดซีดีให้เนยเจ้าคะ่ะคุณแม่พอถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกเงียบเงีย เงียบๆกำลังฟังสวดมนต์ตอนนี้ลูกไม่ทราบจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่ากลัวว่าคุณแม่จะหลังความตายหรือช่วงที่ชิงพบเนี่ยคุณแม่จะไปไม่ดีนะเจ้าค่ะตรงนั้นเราช่วยไม่ได้ะเราช่วยได้ตั้งแต่ตอนเนี้พยายามให้ใจเขาเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเรื่อยๆแล้วเวลาเขาจะตายจริงๆอย่าไปร้องหมร้องไห้นะให้นั่งทําใจให้สบายดูเขาตาย อย่าไปเขยา่าจะตายแล้วร้องไห้นะะไปอบายเลยตรงตอนนั้นช่วยอะไรไม่ได้แนละ้ถ้าจะช่วยก็คือช่วยตอนนี้แหละอย่างที่ทําอยู่ก็ดีแล้วล่ะนะแล้วก็บอกอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึง อ, อนาคตนะให้คิดถึงพระพุทธเจา้าพุทโธ ท, ทั้งวันเลยพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธสบายๆไม่ไม่ผิดสิ่งที่สี่นะเจ้าค่ะที่หลอกให้ท่านไอ้อย่าไปคิดว่าหลอกสิ <laughs> เขาเรียกว่าปูสโลบาย มในใจเราก็เนี่ยอะไรเป็นรถของพระพุทธเจ้านะธรรมะนะธรรมะนี่เป็นรถนะงั้นเราก็พาให้แม่สวดมนต์ภาวนาเห็นไหมก็มีรถของพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นเครื่องไปรนั่นแหละเราก็ต้องวางใจให้ถูกนะถ้าวางใจว่าโอ้ฉันต้องหลอกเอาตัวรอดแล้วก็ก็มูสาแหละกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบธรรมสการหลวงพ่อครับขอส่งกันบ้างนะครับผม ว่าที่ผมดูนามธรรมเกิดดับที่กลางอกพร้อมกับดูจิตที่เกิดดับกลางอกในการตามรู้ที่ถูกต้องหรือยังครับตอนนี้อย่าจงใจดูนะให้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาลดความจงใจลงนิดหนึง่งตอนนี้ยังจงใจอยู่ใช่ไหมครับมันแรงไปนิดหนึง่งรู้ให้สบายๆในขณะที่เรารู้ถูกต้องเนี่ยใจต้องโปร่งโล่งเบาสบายๆแต่ถ้าเรารู้แล้วใจเราแข็งๆนะไม่ไม่จริงจงใจมากไปนิดนึง่งขอบคุณครับ หลวงพ่อคะคือเมื่อวานหนูไปเห็นสภาวะหนึ่งอะคะ่ะเหมืนเมื่อวานตอนที่หลังสดวนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วเหมืนเห็นเวทนานะคะ่ะคือมันไม่เฉพาะเมื่อวานนะคณะเนี้ยกำลังติดสภาวะอยู่รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนคนทั่วทั่วไปกล <c oughs> ับมาเป็นมนุษย์ธรรมดานะ <c oughs> คือใจของเรารู้สึกไมมันมันมันอัพตัวขึ้นมา มันโปร่งๆมันเบาๆมันลอยๆอยู่นะกลับมาลงมาอยู่กับดินธรรมดามาเป็นคนธรรมดาใจเรามันดีเกินไปคือโดยธรรมดาเนี่ยนะพวกเราชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับการทําวิปัสสนานี่พวกเราแทนที่จะรักษาใจของมนุษย์แล้วตามรู้มันไปเรื่อยๆ ล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงมันพยายามดัดแปลงจนมันจะกลายเป็นใจของพลมไปใจของพลมมีแต่ความนิ่งๆหลงพ่อทำให้ดูนะแซมเปลิลนะมีหลายชนิดนะดูออกปะไม่ออกะจะทำยังไงวะเอางี้เอาลมชั้นเลวอย่างงี้พอดูได้ไหมอ่า อย่างนี้สุดโต่งมาข้างบังคับนะถ้าพรมชั้นดีมจะแหมเบาสบายเคลิม้มลอยลอยนะใจชนิดนี้ไม่ใช่เหมาะกับการทำมิปั ส, สนาใจชนิดนี้เหมาะไปนอนเล่นนะเป็นที่พักที่ผ่อนที่สบายนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องว่าพรมมีใจสูงท่านยกย่องว่ามนุษย์มีใจสูงมันสูงยังไง ใจของมนุษย์นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายใจของมนุษย์นี่แหละสอนไตรลักษณ์ได้ตลอดเวลาใจของพรหมเหมือนไม่ค่อยมีไตรลักษณ์ให้ดูนะมันสบายอยู่อย่างนั้นแหละคงที่อยู่อย่างนั้นแหละเพราะงั้นใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาเป็นใจที่วิเศษที่สุดเลยนะอย่างใจสันนิโรกก็ไม่ค่อยแสดงไตรลักษณ์มีแต่ความทุกข์ล้วนๆอยู่อย่างนั้นงั้นได้เป็นคนดีที่สุดแล้วอย่าทําลายมันความเป็นมนุษยย์ของเราด้วก น้อมใจไปให้เป็นพฟลมนมพยายามรู้สึกตัวให้เป็นสบายเออเนี่ยเข้ามาใกล้มนุษย์สโลกมากขึ้นแล้วรู้สึกไหมกลับมาเป็นคนธรรมดานะเนี่ยใช้ได้แล้วไปไหนมนณฑสการหลวงพ่อนะคะค่ะเออจะประสบการณ์ของดิฉันนะคะที่เอ่อคืนต้องสมาธิเอ่อเมื่อก่อนนะคะต้งสมาธิแล้วเนี่นะคะเออจิตมันรวมลงอะค่ะ มันดิ่งลงแล้วก็มันรู้สึกว่าอิ่มเอิบอยู่ข้างในมากเลยนะคะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายวันเลยนะคะว่หลังๆเนี่ยก็มันก็หายไปอาการอิ่มหายไปพอจิตมันรวมนะคะอืมแล้วเนี่ยมันก็เห็นใจมันคิดนะคะอืมพอเห็นใจมันคิดมันก็เห็นอะไรไวๆนะคะมันก็ไวๆๆเนี้ยค่ะก็ดูตรงนี้ค่ะพอพอพอพอพอพอเห็นไม่นคิดอีกมันก็เห็นไหวๆเนี้ยค่ะจิตเป็นรวมลงเนี้ยค่ะอืก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ มันลงได้ทุกวันเลยนะคะคือไปนั่งกับหลวงปู่องคหนึ่งที่ปากเกร็ดนะคะแล้วเล้าคือเมื่อวานนี่ค่ะก็นั่งอีกทีนี้จิตมันไม่รวมแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะคือไม่ต้องพุทโธเลยเพียงแค่มองจิตนะคะพอมองจิตแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นจิตมันคิดแล้วเนี่ยมันก็จะมันกลับมันเห็นได้เลยไวๆค่ะแล้จิตมันก็รวมลงเองแต่เมื่อวานไม่ลงแล้วมันเห็นแต่ไวๆอย่างเดียวอาการรวมมันก็ไม่มีแล้วเนี้ยค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําให้ด้วยนะคะฝึกกับหลวงปู่วุญญาริด้ปักไมปถามท่านสิ หลวงปู่บอกว่าไม่มีคําอธิบายอ่ะหลวงปู่บอกว่าถึงเวลาได้แล้วได้เองออท่านก็อธิบายแล้วนะอธิบายว่าไม่มีคําอธิบายหลวงพ่อขยายให้หน่อยก็ได้เราภาวนานะถ้าเราทําสมถะจิตรวมลงไปแต่ถ้ารวมลงไปแล้วซื่อบื้อนะสงบนิ่งๆเฉยๆอยูยอย่นั้นใช้ไม่ได้เลยขี้เกียจขี้คลานพารวมลงไปแล้วเราเห็นมันไหวทํางานจริงๆให้ไหวๆนั่นแหละคือความคิดของมัน ความคิดตัวจริงของจิตนะอาการที่มันไหวไหวไหวๆขึ้นมาแต่เวลาที่เรารู้ไหวไหวเนี่ยอย่าถลําลงไปจ้องอย่าถลําให้จิตเคลื่อนลงไปเกาะนิ่งๆที่ไหวไหวไม่ได้นะให้ดูอยู่ห่างๆให้จิตผู้รู้อยู่ห่างๆไหวๆอยู่โน่นผู้รู้อยู่นี่แล้วก็ดูไปถ้าถลําลงไปจ้องเนี่ยจะไปติดอยู่ที่ไหวไหวแล้วไปไหนไม่รอดให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไหวไหวนั้นไปนี้เวลาภาวนาเนี่ยบางช่วงที่จิตมันมี มันจะเดินปัญญาเนี่ยมันไม่ยอมรวมง่ายหรอกนะเวลารวมรวมแว บ, บเดียวก็ขึ้นมาละมารู้ไหวไๆต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่มันรวมลงไปก็ช่างมันมันจะขึ้นมาก็ช่างมันมันไปรู้ไหวไๆก็อย่าถล่มไปรู้ฝึกไปอย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งมันก็วางทุกอย่างหมดเลยไอ้ตัวไหวเนี่ยเป็นภาษาของจิตนะแปลดได้นะเผลอไปละที่สําคัญที่สุดนะไม่ใช่นั่งสมาธินะ ที่สําคัญที่สุดคือมีสติในชีวิตประจำวันเพราะฉะนัออ้นจะต้องฝึกจนกระทั่งให้สติในชีวิตประจำวันเกิดของโยมมันยังไม่เกิดของโยมมันไปเกิดตอนทําสมาธิพอออกจากสมาธิมันยังเผลอๆเหลือๆไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรามาอยู่กับโลกข้างนอกเนี้พอใจไหลไปแล้วรู้ทันไหลไปแล้วรู้ทันเรื่อยๆอย่าเผลอๆเลิ น, ลนแล้วคอยรู้สึกไปรู้สึกกายก็ได้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูะ รู้สึกจิตใจก็ได้เห็นมันไห ว, ไวก็ได้เห็นมันโล่มันโกรธมันหลง ก, ก็ได้อย่างจิตขนาดนี้สว่างกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมจิตมันค่อยตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องตื่นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ตอนนี้จิตฝันไปแล้วรู้สึกไหมจิตหลงไปแล้วพวกที่ฝึกสมาธที่ถูกต้องนะต่อกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยต่อง่ายแต่ส่วนมากที่พวกเราฝึกเนี่ยในฝึกมิจฉาสมาธิมาสมาธิเคลิ้ม อย่างนี้ไม่ต้องต่ออะไรหรอกนะไปต่อที่นอนน่นนะอไม่ได้เรื่องอ่ะถ้าฝึกสัมมาสมาธินะฝึกสมาธิมจะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะเมื่อวันซืนที่วัดหลวงพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกภาวนาสายหลวงพ่อชาอายุก็ไม่มากนะแต่บอกว่าทำมานาปานสติหายใจไหมยี่สิบปีแล้วหายใจมายี่สิบปีแล้วเขารู้สึกว่าเขาตันรู้สึกยี่สิบปีที่ผ่านมานี้ไปไหนไม่ได้อยู่อยู่ที่แค่ความสงบเงียง อาอธิษฐานจิตนะขอให้มีคนมาสอนทางไปต่อได้คนเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังหรืออะไรเงี้ยนะก็ตามมาบอกว่าแทนที่ว่าเราจะรู้แล้วก็สงบนิ่งอยู่เฉยๆให้รู้การทำงานของกายของใจไปบอกแค่นี้นะเขาก็ดูได้ละกําลังของสมาธิที่ทำมาอย่างถูกต้องมันสนับสนุนทำให้เรารู้กายรู้ใจได้ง่าย น, นั้นสมาธิที่ถูกต้องมีประโยชน์มากนะ สมาธิที่ผิดเช่นไปเพ่งไว้จนเคร่งเครียดเนี่ยเป็นโทษมากขวางการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงงั้นถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มาตรฐานนะที่ดีๆฝึกไปให้ใจเกิดสมาธิใจสงบใจตั้งมั่นใจรู้ตัวต้องรู้ตัวนะไม่เคลิอ้อไม่ขาดสติเวลาจิตจะรวมก็รวมแบบรู้เนือ้อรู้ตัวไม่ใช่รวมวูบหมดสติเลยนะรวมแบบเรือบินชั้นดีนะค่อยๆแลนดิ้งนะให้เรานุ่มนวล รู้ตัวตลอดเลยถ้าขาดความรู้ตัวคือไม่ได้เรื่องแนละ้วพอใจมันตั้งมั่นเนี่ยอะไรแปรปลอมเข้ามาในใจนิดเดียวก็เห็นแนละ้วไม่ต้องรอให้โกรธแรงแรงแล้วเห็นใจที่ทรงสมาธิอยู่มีประโยชน์มากนะแต่ว่าเวลาไปรู้ไหวๆอย่าถลำลงไปรู้อะไรก็ไม่ถลำลงไปให้สักว่ารู้ให้สักว่าเห็นไปอย่างตอนนี้ถลำไปในโลกของความคิดแนละ้วรู้สึกไหม ลืมตัวเองในปัจจุบันไปแล้วแล้วใจมันก็อยากพูดแวบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้มันลงไปรู้เรื่อยๆอ้าวคนไหนก ร, กราบน้ำมศการหลวงพ่อไหนกราบอยู่ไหนอยู่ไหนชูหน่อยอ๋ออ้าวกราบน้ำมการหลวงพ่อค่ะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ไปกราบหลวงพ่อนานนะคะหางครูบาอาจารย์เลยรู้สึกว่าจิตมันเสื่อมจิตมันไม่มีคําว่าเสื่อมนะ <laughs> จิตมีแต่คําว่าเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ว่าจิตอกุศลเกิดบ่อยเราเรียกว่าจิตเสื่อมจริงๆจะกุศลหรือจะอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนเหมือนกันใจเราต้องเป็นกลางรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางไหมเพราะฉะนั้นะ <S 1> <S 1> สติไม่ค่อยเกิดรู้ว่าไม่เกิดอยากให้สติเกิดรู้ว่าอยากแป๊บเดียวก็เกิดเลย พอจะมีช่วงที่สติเกิดบ้างนะคะมันก็จะมีแต่ว่ารู้ว่ามันวิตกกังวลเครียดซึมเศร้า ม, มันให้รู้ไปนะเหมือนเห็นคนอื่นวิตกกังวลเหมือนเห็นคนอื่นเครียดซึมเศร้าใจเราเป็นแค่คนดูเฉยๆถ้าใจไหลไปรวมกับความเครียดรู้ว่าใจเราไหลไปรวมกับความเครียดใจแยกออกจากความเครียดรู้ว่าแยกจากความเครียดอย่าจงใจดึงออกจากความเครียด ใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นให้ยอมรับสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏถ้าใจเรายอมรับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะใจจะไม่ดิน้นพอใจไม่ดิ้นนะใจจะตั้งมั่นมีความสุขรู้เนะื้อรู้ตัวตื่นขึ้นฉับพลันตรงนั้นเลยตอนนี้หนีไปคิดล้วทราบไหมไม่ยอมเลิกทราบไหมค่อยตื่นแล้วรู้สึกไหมใจค่อยตื่นขึ้ น, นมาแล้ หลวงพ่อดูให้ได้ไม่ทั่วทุกคนนะพวกเราเยอะเกินไปไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยตัวเองฟังซีดีไปได้ๆนะอย่างคุณเสื้อเหลืองนะใจก็เปลี่ยนไปแล้วที่ใส่แว่นตาแต่คนเนี้ยแต่ก่อนชอบเพ่งไม่ใช่คนนี้นะคนนู้นเหลืองอ๋อย <laughs> ชอบเพ่งตอนนี้ใจก็เปลี่ยนไปแล้วอดทนนิดนึงนะฟังหลวงพ่อฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องฟังไปเหอะไม่ได้เก็บค่าฟังนะอด ท, ทนไปฟังไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะรู้เลยคุ้มที่สุดนี่โฆษณนาเนะี้ย ความจริงในใจหลวงพ่อนะเออวันไหนที่ไม่เจอโยมนะมีความสุขแต่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ก็จําเป็นนะอย่างที่นี่นะบางคนสงสัยทําไมหลวงพ่อรับนิมนต์มาที่นี่ที่เดียวไม่ไปที่อื่นเลยที่เนี่ยเป็นที่ที่หลวงพ่อพุดท่านสั่งสืบทอดกันมานะบอกว่าอย่าทิ้งสาราลุงชินนะแต่ที่นี่เกต่อไปคงเป็นที่สร้างพระนะ พวกเราจํานวนมากเลยที่ภาวนาจนใจสว่างขึ้นมาและใจตื่นขึ้นมาใจรู้สึกตัวขึ้นมามีจํานวนมากนะหลวงพ่มาเทศครั้งสองครั้งแรกนะมองมานะมีแต่มืดๆนะคล้ายๆก็ ย, ยังไม่ได้ติดไฟตอนี้พวกเราค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นอดทนนะไม่ได้เก็บสตังค์อดทนเรียนไปฟังฟรีฟรซีดีก็แจกฟรีหนังสือก็ให้ฟรีไม่ใช่ให้เองนะคนที่เขามี เหลือพอแล้วเขาก็มาให้นะอไปไหนล่ะไปไห น, ไไหนราบนมัส ก, การท่านอาจารย์ค่ะขอความเมตตาช่วยเตือนด้วยเจ้าค่ะฮึจงเตือนตนด้วยตนเองเนาะสาธุเจ้าค่ะเตือนตัวเองคอยสังเกตใจเราอะหออลวงพ่อไม่ได้อยู่กับโยมตลอดเวลาสาธุเ่งที่อยู่กับโยมทั้งวันนะคือสตินี่หนึ่งนะ ไม่ค่อยรู้จิตใจเราเกิดกุศลเราคอยรู้อกุศลเข้ามาเราคอยรู้นะอกุศลทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันศัตรูของความสุขในชีวิตเรามาเขาเราก็รู้มาแล้วเรารู้ถึงวันหนึ่งเขาไม่มาแล้วเขาเหนี่ยมเรารู้ทันมากๆมันไม่มาที่ยอมฝึกอยู่ดีแล้วล่ะ ใ, ใจค่อยเบาแล้ว สถานพระอาจารย์ค่ะที่ปฏิบัติอยู่หนูก็มีปฏิบัติตามรูปแบบแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจําวันถ้าปฏิบัติตามรูปแบบก็จะเจอสภาวะอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งคือจิตตั้งแช่ไว้พอหลังจากเลิกปฏิบัติก็มีความสุขแล้วก็บางครั้งก็ปวดศรีรษะถ้าเราไปเพ่งแบบที่สองก็คือถ้ามองภายนอกจะคล้ายๆว่านั่งสัปะงกแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้ ว, ลวพอเราตั้งตั้งใจอยู่กับลมหายใจอะค่ะใจกายก็จะตั้ง พอจิตไหลไปคิดกายก็จะโน้มไปพอเรารู้ว่าเห็นกายว่าโน้มเราก็รู้ว่าไปคิดก็กลับมาดูลมหายใจใหม่ <c oughs> แบบที่สามก็คือแบบที่มีความรู้ตื่นเบิกบานที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นจิตมหากุศลนะฮะ <c oughs> ก็จะครบมีคุณสมบัติตามที่คุณหลวงพ่อกล่าวไว้ส่วนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะ เผอนานนะคะไม่ค่อยรู้สึกนอกจากจะพบกับผัสสะแรงๆอย่างเช่นเวลารถเฉียวข้างหลังอะค่ะตกใจกระโดดก็จะรู้สึกว่าตกใจมือเท้าไปท่าไหนก็จะทราบอะค่ะแล้วก็จะเห็นว่าตาเบิกกว้างปากร้องอ้วอะไรนี้ก็ทราบหมดเนี่ยแต่ว่าอย่าทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นความเกิดดับมั น, นะะเห็นมันสลับเปลี่ยนเฉยๆแต่ไม่เห็นเกิดดับการที่เห็นว่าเขามีแล้วเขาไม่มีของที่เคยมีมันไม่มี ของที่เคยมีของที่ไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมานี่แหละคือความเกิดดับของเขาเนีนเราคอยรู้ลงไปยังสังเกตไหมที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วจิตพลิกแปลงไป3แบบแต่และแบบก็ไม่คงที่เราภาวนาเราไม่ใช่เอาจิตที่รู้ตื่นนะจิตที่รู้ตื่นเกิดขึ้นมาก็เพื่อจะได้เอาไว้ดูว่าจิตที่ไม่รู้ตื่นมันก็มีแล้วก็จะเห็นเลยจิตที่หลงไปเคลิ้มไปจิตที่แข็งแข็งเครียดเครียด หรืจิตที่รู้สึกตัวนะเกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปไม่คงที่สักอันเดียวยังนะเก็บแม้ตรงที่มันเคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวมันหลงตามกิเลสไปตรงที่มันไปตั้งแข็งปึก๊กเนยะมันบังคับตัวเองไว้ที่หลวงพ่อบอก2องอันสุดตรงสองข้างนั่นเองนะกับจิตที่รู้สึกตัวนะนี่ตรงกลางสทางสายกลาง3มชนิดนี้จะสลับกันขึ้นมาในเวลาที่เราปฏิบัติอยู่นะเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาอันเดียวคือรู้สึกตัวและปฏิเสธอีกสองอันที่เผลอและเพ่ง แต่เราจะภาวนาเพื่อจะให้เห็นเลยจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะเพ่งก็บังคับมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้ทํำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวทั้งหมดนั้นไม่ได้เอาสักอย่างเดียวนะตอนที่อยู่ในชีวิตประจําวันนานๆสติเกิดทีต้องลดเฉียวแล้วถึงจะเกิดอันนี้แย่หน่อยนะ <c oughs> น่ากลัวทําไมมันเกิดเพราะอารมณ์มันั้นรุนแรงอารมณ์ที่ตกใจกลัวเป็นโทสะโทสะเป็นอารมณ์ที่ดูง่ายที่สุดนะงั้นสงสัยต้องไปเดินยาวราดบ่อยๆ หัดอย่างนี้นะจะได้ไม่เผลอยาวให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้อย่างหนึ่งเสมอเราคุ้นเคยกับพุโทโธเราก็พุโทโธไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมไปปัจจัยมันเคลื่อนจากคําบริกรรมเราก็คอยรู้สึกเอามันจะทําให้เราไม่เผลอยาวแต่เราไม่ใช่พุโทโธเพื่อไม่ให้เผล่นะแต่พุโทโธพุโทโธไปเพื่อจะได้เผลอเรารู้ไหวๆถ้าพุโทโธไม่ให้เผลอก็คือเพ่ง งั้นในชีวิตประจำวันเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งบางคนถนัดรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายไปเรืเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆพอใจเราลอยเผลอไปปุ๊บมันจะลืมร่างกายพอลืมร่างกายปุ๊บพอร่างกายไหวตัวปั๊บนะสติจะเกิดอย่างจะระลึกขึ้นมาได้อีกงั้นต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าไม่มีเครื่องอยู่สติจะเกิดไม่บ่อยอ่งั้นในสติปัฏฐานถ้าเริ่มต้นเลยใช่ไหมให้มีกายในกายเป็นวิหารธรรม ให้มีเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมีอารมณ์หนึ่งในกายในใจนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่เราไปรู้บ่อยๆเครื่องอยู่ไม่ใช่เครื่องบังคับจิตให้อยู่กับมันเครื่องอยู่เหมือนบ้านไม่มีอะไรจะทําแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวกลับมาอยู่กับความรู้สึกในความสุขความทุกข์ความเฉยๆกลับมารู้สึกในความเผลอไปในความรู้สึกตัวอะไรเงี้ยเอาสักอันใดอันหนึ่ง ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้หัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ปัจจิตมันมีเครื่องอยู่มันจะไม่เผลอยาวจิตที่ไม่มีเครื่องอยู่จะเผลอนานพราะงั้นสติปัฏฐานเลยต้องมีเครื่องอยู่แต่ต้องระวังเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกคุกกับบ้านไม่เหมือนกันบ้านเนี่ยเราจะมีธุระออกจากบ้านเมื่อไรก็ได้แต่คุกห้ามไปที่อื่นไปรู้ลมหายใจแล้วห้ามจิตหนีจากลมหายใจรู้ท้องของยุบห้ามจิตนีไปจัดท้องอันนี้เป็นคุก ถ้ารู้ลมหายใจแล้วจิตแฉลบไปแวบรู้ว่าจิตหนีไปแล้วไม่ว่ามันแค่รู้จากเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกต้องแล้วยังค่ะถามแบบกล้าหาญมากเลยก <c oughs> ล้าฟังคาตอบไหมเพงไปหรือเปล่าคะใช่ <c oughs> จิตจิตยังติดอย่หน่อยเดียวแต่ไม่มากนะ <c oughs> นิดหน่อยเองต <c oughs> อบใช้ได้แล้วละ่ะอยู่ในระดับที่โอเค <c oughs> ใจลอยไปแล้วเห็นไหมใช่ค่ะตอนไปยักหน้าเอ้ยปลืม้มปลืมนะปล้มใช่ค่ะนั่นแหละไม่เห็นว่าปลื้มใช่ปลืม<ช>ปล้มได้แต่รู้ว่าปลืม้มเห็นไหมให้รู้นะรู้ลงไปนอกจากรู้แล้วไม่มีอะไรหรอกในสติปัฏฐานไปอ่านดูนะมาหาสติปัฏฐานสูตรมีกริยาหลักอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้เดินอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นอนนั่งก็รู้ไหมเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ โลบก็รู้โลรนก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้มีแต่ค้าว่ารู้รู้ลูกเดียวนี่แหละทำนมำสการหลวงพ่อค่ะเต้นตอนนี้อืมตื่นเต้นธรรมดานะค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมานะคะติดเป็นพวกชอบวิจารนะคะชอบอะไรนะชอบวิจารณ์ค่ะก็คือพา ร, รู้อย่างเมื่อวานเนี่ยคะ่ะรู้สึกตัวว่าตกใจ ตอนนั้นก็แวบก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะรู้ก็ได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารู้จริงหรือเปล่าแต่ทีนี้หลังจากที่รู้แล้วเนี่ยค่ะชอบที่จะไปแบบมองมันแล้วก็วิจารณ์มันไปเรื่อยๆอ้าวตอนนี้มันเป็นอย่างงี้นะอ้าวมันจะหายแล้วนะเมื่อไหร่มันจะหายนะหรืออะไรเงี้ยค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําหน่อยก็เราดูสภาวะไปนะตรงที่เผลอไปนี่เผลอไปตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยรู้นะแล้วตรงที่มันภาคขึ้นใหม่ไหมมันพูดเองมันพูดเองก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ตรงที่เราไปช่วยมันภาคเนี่ยใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่าน สารสุดท้ายคือฟุ้งซ่านไปบรรยายนี่ไม่ดีนี่ดีเริ่มให้ค่าละวแต่เป็นฟุ้งซ่านให้รู้ลงไปเลยว่าฟุ้งซ่านแล้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหรือใจเผลอไปลอยไปรู้ว่าใจลอยปุ๊บสงสัยว่าเอ๊ะรู้นี้รู้ถูกหรือยังให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆอ่ะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นอะไรความรู้สึกสดๆร้อนๆนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เห็นความรู้สึกทุกอย่างไม่คงที่เลยกลาบนมัสการท่านอาจารย์นะครับผมปฏิบัติโดยใช้สติปัฏฐานสี่มาเจดปีเกิดอัศจรรย์กับจิตใจก็คือมันเกิดถึงสภาวะของความเป็นกลางแล้วหลังจากนั้นก็คือได้ฟังธรรมของท่านอาจารย์เนี่ยปรากฏว่ามันมีความรวมของกายกับจิตมันจะเป็นบางสภาวะเท่านั้นที่ที่มันออกมาทางกายเลยะฮะไม่ต้องไปดูข้างใน ก็เกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เลยอุตส่าห์มาจากจังหวัดสุขโขทัยครับก็ดันด้นมาถามครูบาอาจารย์ครับของคุณอย่าเวลาที่เราทาสติปัฏฐานนะอย่าจงใจไปจ้องใส่อารมณ์นะให้เรารู้เล่นๆไปแต่ถ้าเราจงใจไปจ้องนะใจเราจะแข็งๆเกรงๆผิดธรรมดาคุณรู้สึกไหมใจของคุณกับใจของคนทั่วๆไปนี่จะต่างกันใจของคุณจะมีความนิ่งมากกว่าคนทั่วๆไป <น>แล้วมันมีความอ่อนโยนด้วยครับแล้วก็ออมีความเซนซิทีฟมากเ อ, อ้นะแล้วใจใจมันอ่อนโยนให้รู้ไปนะใจเซนซิทีฟให้รู้ไปตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมพอหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดตามใช่ไหมครับให้รู้ทันว่าใจไปคิดให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆส่วนมากที่เราบอกว่าเราทําสติปัฏฐานสี่เนี่ยไม่ค่อยได้ทําสติปัฏฐานจริงเราชอบไปเพ่งเพ่งมากกว่าที่จะไปรู้ หรือเราชอบไปกําหนดมากกว่ารู้กําหนดเนี่ยหลวงพ่อเคยกลาบเรียนถามอาจารย์มหาปจวประกําหนดเนี่ยในบาลีเป็นยังไงท่านบอกกําหนดเป็นภาษาเขมรนะจริงๆแล้วให้ใจเราแค่มานัศสิการคือใจเรามันแค่เระลึกถึงความมีอยู่ของกายเราลึกถึงความมีอยู่ของใจรารึกแค่เราลึกถึงแค่นึกนึกถึงเนะีย่ยตอนนี้ใจเราลอยไปคิดแล้วซ้ำไหมครับผมเนี่ยให้รู้อย่างเนี้นะใจไปคิดก็รู้ คุณสังเกตไหมตอนที่ใจลอยนะเบาๆแต่ตอนนี้หนักๆมีความหนักเกินจริงอยู่นิดหนึง่งดูออกไหมตอนนี้ใจลอยไปแล้ว ร, รู้สึกไหมตรงที่ใจลอยไม่หนักรู้สึกไหมนี่คือความสุดต่งสองด้านซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่สามารถรู้อย่างซื่อๆเพราะฉะนั้นะนการรู้ของเรายัางแทรกแซงด้วยความจงใจจะรู้อยู่นิดหนึง่งนะอย่างตอนนี้ใจฉลาดแวบหนึ่งทราบไหมให้รู้ไป ร, รู้ไปอย่างนี้แล้วมันจะไม่หนัก ถ้ารู้แล้วยังหนักอยู่นิดหนึ่งนะก็แสดงว่ายังบังคับอยู่นิดหนึ่ง<ม>ขอบคุณพยายามรู้จนมันเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยที่ฝึกอยู่ดีนะครับผ ม, มันมันติดการบังคับตัวเองอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละกรับขอบพระคุณครับกลับมนทศการ์ท่านอาจารย์ค่ะคือเวลาสิว่าเวลาหลับตาเนี่ยะฮะบางทีก็จะมีมันสว่างขึ้ น, นะฮะนะคะบางทีก็เป็นสีเหลืองะฮะซึ่งในบางครั้งที่ทำให้กลัวนะคะก็คือ จะสีน้ำเงินแล้วก็พุบุ๊บออกะฮะแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างในวงสีขาวอะไรเงี้ยฮะเป็นดำฮะพอเป็นถ้าเป็นสีดำนี่ก็จะมีความรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยสบายในส่วนนี้ฮะกลับพระพุณุท่านค่ะเราภาวนาเราไม่ได้มุ่งเอานิมิตแสงสีอะไรนะให้เห็นกิเลส ด, ดีกว่าเห็นสีนะอาการที่จิตมันใกล้ๆจะรวมทีมันก็ถ่ายทอดออกมาบางคนเห็นสีปุบปบๆไปบางคนเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้ เพะนไม่ว่าเราจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยให้ย้อนกลับมาดูใจเรานิมิตทั้งหลายจะดับไปให้ให้รู้ทันใจเรานะเช่นมันเกิดแสงสีปุ๊บปุ๊บๆับ๊มาเนะี่ยสีดำดเรากลัวแล้วรู้ว่ากลัวสีสว่างสีเงินสีทองใจเราชอบหรือว่าชอบเนะี่ยให้รู้ความรู้สึกของเราไปนะคืออย่าไปให้ความสําคัญกับนิมิตแสงสีทั้งหลายให้ความสําคัญกับใจเราให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนิมิตทั้งหลายจะหายไปเองยกเว้นนิมิตตัวจริงนะ อย่าเช่นเรานั่งนั่งอยู่เห็นผีมานั่งอยู่ข้างหน้าเราหนึ่งตัวเราแยอัลเรากลัวเราย้อนมาดูความกลัวดับปั๊บไปใจเราเป็นกลางย้อนเราไปดูยังเจ้าเอ๋อยู่ในตัวจริงน ะ, ะถ้าตัวที่จิตเราปรุงพอเราย้อนมาดูปุ๊บถอยออกไปไม่มีละกราบนวะัตส ก, การหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับฟังซีดีของหลวงพ่อเห็นมีอยู่อันหนึงบอกว่าการระลึกรู้สติเนี่ยมีสองแบบอันอันแรกเนี่ยเป็นแบบระลึกรู้เฉยๆไม่มีปัญญา อีกอันหนึ่งเป็นระลึกรู้แบบมีปัญญาก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะจะจะยังจะควรจะปฏิบัติยังไงแล้วก็อย่างนั้นผมเคยปฏิบัติมาคือว่าคือคล้ายๆใส่ความคิดแป ว, ว่ามันบังคับไม่ได้อะไรพวกนี้คืออยากรู้ว่าแบบไหนกวรจะคือยังไงดีว่ะครับคือถ้าถ้าเรียนอภิธรรมนะเราะพบว่าจิตที่เป็นมหากรศสนเนี่ยมีสองอันนะอันนึงประกอบด้วยปัญญาอันนึงไม่ประกอบด้วยปัญญา เพเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาบางทีมันรู้สึกเฉยๆแล้วก็พอรู้สึกแล้วก็ไปค้างอยู่กับความเฉยๆนะสบายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีปัญญาแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วเลาใจเราไม่ไปตรึงไปติดอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งเราเห็นทุกอย่างมันไหลไปเกิดแล้วก็ผ่านมาผ่านไปเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้มันมีปัญญาแต่ว่าตรงที่เราไปคิดว่าเนี่ยอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้จิตฟุ้งซ่านนี่คิดเราเองเพราะงั้นไม่ได้คิดเอาเ แต่การทำไมบางครั้งจิตรู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีปัญญารู้สึกเฉยๆบางครั้งรู้สึกแล้วก็เห็นใจรักด้วยเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าจิตของเราเคยฟังธรรมะเคยฟังเรื่องใตรักเคยอะไรอย่างเงี้ยนะพอใจเราเคยฟังนะพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะใจมันจะพลิกเข้าไปเดินปัญญาของมันตอนที่ใจผมเกิดมันหนั ก, นกๆแข็งๆเกิดอกุศลตลอดเคยฟังที่อาจารย์พูดบอว่าถ้าจิตมันเป็นอกุศลเนี่ยมันมันจะ ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเราใช้แบบที่อาจารย์สอนมาบอกว่าคือมันมันหนักแน่นตึงเราก็รู้ว่ามันหนักแน่นตึงอย่างนี้มันมันจะใช่ได้นะแล้วโยมเติมไปอีกนิดหนึ่งหนักแน่นตึงรู้ว่าหนักแน่นตึงอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายเนี่ยกิเลสอยู่ตรงนี้แล้วกิเลสตัวใหม่อยู่ตรงนี้ที่ปฏิบัติมานี่ไม่ได้ผิดหมดใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ผิดหมดแล้วนะดีแล้วที่ทำนะดีแล้วครับค่อยๆทําไปนะคือหลวงพ่อแน่นนิดหนึ่ง ถ้าหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเนี่ยอย่า ก, กลัวเรื่องคําว่าผิดเลยหลวงพ่อยืนยันว่าไม่ถูกหรอกที่ทําอยู่อะแต่อาศัยที่ทําไม่ค่อยถูกนะหนักไปบ้างเบาไปบ้างเผลอไปบ้างฟุ้งไปเพ่งบังคับไปบ้างเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยถึงจุดที่มันเพียงพอนะมันถูกของมันเป๊ะเลยเวลาถูกถูกขนาแวบเดียวเท่านั้นแหละเะฉะั้นตอนที่เรารูปรูปคลำคลจงใจปฏิบัติไปเนี่ยเดี๋ยวก็มากไปเดี๋ยวก็น้อยไปเป็นอย่างนี้ตลอดมันเหมือนเราเดิน ที่เราบอกเราเดินเป็นเส้นตรงถ้าสังเกตให้ดีเราเดินขาซ้ายทีขาขวาทีเใช่ไหมเราไม่ได้เดินในเส้นเดียวกันตลอดอ่ะขาสองข้างเราไม่ได้ทับกันเส้นที่เดินนะแต่ว่าทําไมเส้นทางเดินนี้มันตรงได้คือเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีนหนักบ้างเบาบ้างดีบ้างร้ายบ้างถูกบ้างผิดบ้างทําไปเรื่อยๆใจลอยแว บ, บไปรั้ทราบไหมโยมอยู่ที่ไหนอ่ะจยู่ที่สายไหมครับอาจารย์ อยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเนี่ยไปรวมกลุ่มเรียนกับกลุ่มเนี้ชยชวกใส่เสื้อสีแปลกๆเนี่ยครับการนมัสการหลวงพ่อครับขอถามเยอะหน่อยนะะคือบางอาทิตย์เพ่งบางอาทิตย์ไม่เพ่งอาทิตย์นี้กลัมาเพ่งอีกแล้วนี่มันเป็นของมันเองใช่ไหมครับ<_ <v> _>มันเป็นของมันเองอย่าไปเกลียดมันนะนะครไม่ได้เกลียดฮะแต่ไม่อยากให้เพ่งไม่อยากพรับงค ให่อยากนั่นแหละโทสะอฮะเข้าผมให้รู้ลงไปเลยรู้ใจเราคือรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะหายของมันเองใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นของมันเองอย่าอย่าสนใจว่าเขาจะหายหรือไม่หายการที่เขาเพ่งอยู่เขาก็แสดงไตรลักให้ดูแล้วเราไม่ได้เพ่งมันเพ่งของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกะดูไปอย่างนี้เลยอ่าแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมทําสมาธิใช่ไหมครับเราทำจนมันปวดขาก็เลยจะนอนก่อนแล้วค่อยกะเดินจงกรมต่อคือไม่ใช่นอนหลับนะฮะนอนดูลงหายใจฮะ นอนดูไปดูมาจับมันแวบปิ้งขึ้นมาสว่างนะฮะอรื่อสึกันันคือสติหรือเปล่าครับใช่นะฮะตั้งแต่ธรรมะมีครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ใช่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปอย่างเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเงี้ยคนมาว่าเราโมโหปุ๊บมันเห็นความโมโหพุ่งขึ้นมาเลยนี่ก็มีสติแล้วนะคะัไม่ต้องสว่างปิ้งไอ้นั่นแบบแบบอีคิสั่ง ก็เลยมันลืสว่างแวบพักหนึ่งก็เดินดงกลงไปมาก็หายไปบบางทีนะพอเคริ้มกับปิ้งพอเคลิ้มกับปิ้งเลยทั้งคืนไม่นอนก็มีนะอย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจเป็นบางครั้งบางคราวที่ทําอยู่นี้ไม่ได้อย่างไม่ได้ยังติดเพ่งอยู่นะยังขอถามข้อสุดท้ายแล้วกันครัประโยชน์ของการเจริญสตินะฮะในเบื้องเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายะช่วยท่านอาจารย์ช่วยอธิบายฟังหน่อยครับคือจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้หมดละวนะ เดี๋ยวไปหาเราก็แล้วแต่คืออย่างเรามีสตินะเรามีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแ ะ, ะแค่มีสติก็มีความสุขละแ <c oughs> ต่ไปมีสติใจเราก็ตั้งมั่นมีสมาธิเหการได้สมาธิมาก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ไปเกิดปัญญาก็เป็นผลประโยชน์มาจากการเจริญสติเกิดวิมุตติหสุดท้ายเราก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะเข้าใจความเป็นจริงของนิพพาน ช, ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุข แล้นเราภาวนามีสติไปเรื่อยๆนะเบื้องต่าที่สุดเลยคือปิดอบายไว้ก่อนในขณะที่มีสติอกุสลไม่มีแล้วก็ถ้าเรามีสติเราก็มีเครื่องเป็นอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีสติเราจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์เป็นลำดับลาดับไปงันะ้นต้องมีสตินะฝึกไปเไรื่อยนามัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูสงสยัยอะค่ะว่าอย่าง ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะบางวันมันก็ตามรู้ได้บ่อยๆบางวันมันก็เผลอนานแต่วันที่ตามรู้ได้บ่อยๆพอเห็นว่าเผลอเห็นปุ๊บพอมารู้ว่าเผลอบางทีมันหงุดหงิดเราก็ไปดูตัวหงุดหงิดต่อแล้วมันก็เผลออีกมันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแล้วนะเขาสอนเราว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าจะสังเกตตัวเองถ้าสมมติว่าอยู่กับคนเยอะๆเราจะเผลอนานแล้วก็พระพุทธเจ้าเลยสอนบอกหันใหม่ๆไม่แค่ครุกคลี เนมพระพุทธเจ้าตอบหมดแล้วหลวงพ่อไม่ต้องตอบแล้วก็อีกนิดนึงค่ะคือเวลาปฏิบัติตามรูปแบบตอนกลางคืนนเจ้าค่ะมันยังจะติดคล้ายๆกับไปกำหนดเวลาไปเผยมันจะคล้ายๆกับว่าไปกำหนดว่าคิดหน่อมันยังติดอยู่อะค่ะก็รู้ว่าติดไปไหนก็ค่อยๆ ค, คลายไป แ, แต่อย่าขี้เกียจ น, นะไม่ใช่เลิกไปเลยขี้เกียจ ยังเวลาโกรธนะคะมันสติจะไม่ค่อยเกิดคือจะรู้ว่าโกรดทีนี้สงสัยว่าเวลาดูจิตเนี่ยเราไปดูที่กลางอกได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้ความรู้สึกเท่านั้นเองแค่รู้ความรู้สึกไม่ต้องไปจ้องอยู่กลางอกนะถ้าไปจ้องกลางอกเดี๋ยวรู้มากไปดักจ้องไว้ตลอดเวลาจ้องตลอดเวลากลายเป็นเพ่งอีกแล้ พอจะรู้สึกว่าถ้าตัวเองเผลอจะรู้แล้วแต่ถ้าโกรธเนี่ยมันมันจะไม่สติจะไม่ยังไม่เกิด แ, แบบว่าโกรธรุนแรงมากๆๆแล้วสติแตก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นเจ้าค่ะคือมันก็จะไปตามเรื่องที่คิดนะคะมันมันไม่เกิดค่อยค่อยฝึกแต่แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นยังไงบ้างเจ้าคะยังต้องปรับตรงไหนก็ต้องทําให้เยอะๆนะไปรู้บ่อยๆขอบพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ทําไมยาวมากค่ะคําที่หลวงพ่อบอกว่า รู้คอยสังเกตและคําว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่คะสติกต่สัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมคนละตัวกันนะสติเป็นองค์ธรรมชนิดหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจหรือะระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลต่างๆสัมปชัญญะคือความเป็นตัวปัญญาองค์ธรรมของสัมปชัญญะคือปัญญาเบื้องต้นปัญญาที่จะช่วยกํากับการเจริญสติของเราให้อยู่ในร่องในรอย งั้นอย่างเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจิตเราเดี๋ยวก็เป็นสมถะเดี๋ยวก็เป็นวิปัสนาถ้าสัมปชัญญะเนี่ยมันจะทําหน้าที่เรารู้เลยว่าขณะเนี้ยเราจะทําอะไรทําสมถะหรือทําวิปัสนาเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรสมรถะทําเพื่อความสงบสุขวิปัสนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจทําอย่างไรเนี่ยหน้าที่ของสัมปชัญญะทําอย่างไรถ้าน้อมใจอยู่ในอารมณ์บรรเดียวสบายๆต่อเนื่องเป็นสมถะ นะถ้ารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เป็นวิปัสสนานี่ทําอย่างไรระหว่างที่ทําไม่หลงไม่เบลอไปทําอย่างอื่นซะนะเช่นทําสมถะก็ไม่ฟุ้งไปเส้ที่อื่นนะถ้าฟุง้งเรารู้ทันเนี่ยมีสัมปชัญญะคล้ายๆลายแมนกํากับเส้นอยู่เพราะฉะนั้นะนะสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นเครื่องช่วยในการจเจริญสติปัฏฐานของเราคือสติกับปัญญานั่นเองแต่เป็นปัญญาเบื้องต้นสัมปชัญญะกลาปนัสการเจ้าค่ะ โยมมีความคล้าใจว่าพุดโทรกับพ้องหน่อพุกยุบหนอนนี่ไม่ทราบว่าสายเดียวกันไหมคะอืมก็คนละสายกันแต่ว่าถ้าทำแล้วนะก็ให้ผลอย่างเดียวกันค่ ะ, <น>ะแล้วถ้าทำถูกก็ได้ผลเหมือนกันนะทำผิดก็ได้ผลแบบเดียวกันนะคะ <laughs> ปกติแล้วโยมชอบสายผ้าป่าแล้วก็หก่างไกลครูบาอาจารย์ด้วยปกติแล้วเมื่อก่อนใช้สัมมาละหังกันนี้พอดีเจอเพื่อนบอกว่าให้ใช้พองหนอยุบหน อ, อค่ะคือครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านสอนเราต้องเข้าวัดค่ะเข้าวัดเนี่ยไม่ใช่วัดที่พระอยู่นะท่านสอนให้วัดใจตัวเองค่หลวงปู่ฟั่นเน่ยสอนอย่างเด็ดเดี่ยวมากเลยก็เข้าวัดนะเข้าวัดบ่อยๆนะคือวัดใจตัวเองรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆ <c oughs> นั่นแหละถึงจะเรียกว่านักปฏิบัติถ้ารอเวลาหลายๆวันหลายๆเดือนไปเข้าวัดทีหนึ่งไม่ได้กินหรอก <c oughs> เพราะเวลาที่เหลือนะกินเลยเราไปกินหมดแล้ว <c oughs> ให้ดูใจตัวเองไปเรื่อยๆส่วนจะบริกรรมว่าอะไรไม่มีนัยยะอะไรถ้า <c oughs> จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้พุทโธคะ่ะแต่ว่าพอภาวนาไปก็จะตกมาเป็นรู้หนอ <c oughs> รู้หนออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็รู้ไปรู้หนอก็รู้ไป ดีกว่าฟุงฟ้งซานหนอค่ะคประการเจ้าค่ะ <c oughs> ถ้าทำไปหน้าได้สมถะเอ่อก็ได้ลานสมควรนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับเอถวายทานขอใทุกท่านนมมือและตั้งจิต น, นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินสาธุรับผ่อนเนาะยถาวาริวาฮปูราปริปูเรนตีสาครางเอวเมวาอิโตตินังเตตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุ สเพปพูเรนตูสังกป่าจันโทปนทันนรสยถามณีโชติรสยถาสพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภวาอาภิวาธนาสีลิสนิตจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพะลัง ฝึกน้าฝึกไปไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเอง